ชุดใหม่ของจั ก, กรพรรดิการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจั ก, กรพรรดิคนหนึ่งเขามีอำนาจเงินทองมากแต่เขาเป็นผู้นำที่ไม่ดีเขาห่วงแค่เสื้อผ้าใหม่เขาเคยใส่เสื้อผ้าใหม่ทุกๆวันหลายคนพูดว่าเขาเปลี่ยนเสื้อแทบจะทุกชั่วโมง เขาเคยใช้เงินของเขาในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นแนวใหม่ขึ้นมาเฮ้ hey, วันนี้นายใส่เสื้อใหม่นะพรุ่งนี้นายจะใส่เสื้อผ้าใหม่อีกไหมล่ะไม่เลยทำไมติด จ, จักรพที่ิจะเปนทุตลตลอดเวลานี่ใช่เราต้องดูแลครอบครัวเรารู้ราแบบจั ก, กรพรรดิไม่ได้เขาไม่สนอนาณาจักรประชาชนและไม่สนกองทัพของเขาด้วย เขาแค่เห็นแก่ตัวมากนะแม้แต่รถนิยมกาต่ดตัวเ ข, เขาก็มาในวัาจานจะนีแต่ก็อยากให้เราชอบเขาเรามีทั้งเลือกอื่นไม่เล่าพวกนายโดนตัดหัวนะทาไมชอบเสื้อผ้าของเขาจริงจริงจริ ง, รงมากเลยเช้าวันหนึ่งมีคู่นักทอผ้ามาที่อาณาจักร hey, <hey>, hey. พวกเขาเย็บเสื้อผ้าให้ประชาชนในอาณาจักร <Hey, hey. S 2> หลายคนไม่เข้าใจว่าเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่คืออะไร นักทอผ้าอดถึงเสื้อผ้าของพวกเขามากจนประชาชนอยากจะใส่ด้วยเพราะว่าพวกเขาว่ากันว่ามีแต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเห็นเสื้อผ้าของพวกเขาหนเสื้อผ้าฉันไม่เห็นเหรอมันอยู่ในมือฉันไงมองไม่เห็นเลยโอ้เจอคนโง่อีกแล้วเราเป็นหนึ่งในช่างผอาตีเก่งที่สุดในโลกมีแต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเห็นงานเย็บปักของเราไม่ใช่คนที่โง่โง่เหมือนกับนายนะ่ะ ไปเรียนมาให้ฉลาดก่อนแล้วนายก็จะเห็นเสื้อผ้าของนายใช่มันสวยมากเลยไม่นานพวกเขาก็เป็นที่นิยมมากจนจั ก, กรพรรดิได้ยินชื่อพวกเขาจั ก, กรพรรดิได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเย็บผ้าที่ไร้ที่ติของพวกเขาจั ก, กรพรรดิเลยอยากจะให้ช่างผ้าสองคนเย็บผ้าให้เขาและอยากพวกเขาเข้ามาที่วางของข้าข้ายาจะให้พวกเจ้าเย็บเสื้อผ้าให้ข้าหน่อย เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้โอกาสนี้เราจะเย็บผ้าที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดสำหรับท่านและทุกคนจะอิดชาตาร้อนท่านเลยละ่ะแต่ว่าท่านราชามีอย่างหนึ่งพิเศษอยู่กับเสื้อผ้าของเราเนะมันคืออะไรมีแต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเห็นเสื้อผ้าของเราคนที่ไม่เก่งหรือโง่จะมองไม่เห็นเขาคิดว่าแบบนั้นถ้าเขาใส่เสื้อผ้านั้นแล้ว เขาจะรู้ว่าที่ปรึกษาคนไหนของเขาที่ไม่เก่งพอสำหรับงานเราต้องการเสื้อผ้าไหมและเส้นไหมที่ดีที่สุดขอรับขอเครื่องทอผ้าให้เราด้วยนะครับท่านและกไม่กี่วันเราจะทำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่ท่านเคยใส่จั ก, กรพรรดิเอาเงินจำนวนมากของเขาให้กับช่างผ้าและสังคนของเขาทุกคนอย่าไปรบกวนงานของช่างทอผ้าระหว่างที่ทางานช่างทอผ้าเก็บเสื้อผ้าไหมของเขาในถุงของพวกเขาเอง และเริ่มแจงว่าพวกเขากาลังทออะไรอยู่ที่ปรึกษาของจกักรพรรดิกลัวมากเมื่อได้ยินเรื่องเสื้อผ้านั่นแล้วเจ้าล่ะเจ้าเห็นเสื้อผ้าที่พวกเขาทอไหมอ่เคยได้ยินมาแต่ไม่เคยเห็นถ้าเรามองเสื้อผ้าเขาทาไม่เห็นล่ะพวกเราก็จะตก ง, งานล้วสิไม่กี่วันผ่านไปจกักรพรรดิเรียกรัฐมนตรีของเขามาและให้เขาไปเช็คว่าเสื้อผ้าถูกทอไปถึงไหนแล้ว ชายแก่กลัวมากในตอนแรกแต่เขาฟังคำสั่งของราชาและเข้าห้องไปตอนที่เข้าห้องของนักทอผ้าเขาคิดว่าจา ก, กบพรรดทำให้ฉันมีปัญหาแล้วถ้าข้ามองไม่เห็นเสื้อผ้าละ่ะสงสัยข้าจะโดนไล่ออกแน่เลยเขาเข้าไปในห้องนั้นและเห็นทั้งคู่กำลังทอผ้าแต่มองไม่เห็นเส้นใยที่ถูกทอ ทั้งสองคนต้อนรับเขาและแสดงให้เห็นสไตล์ของเสื้อผ้าที่พวกเขาออกแบบให้กับจักรพัทที่จริงในมือของพวกเขาไม่มีอะไรเลยแต่รัฐมนตรีไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะแกล้งชมมันไปเขากลับไปหาจักรพัทเจ้าชอบมันไหมเยี่ยมมากเลยครับท่านพวกเขาเนี่ยเอาแบบให้ท่านได้วิเศษสุดๆเลยและครับจักรพัทพอใจมากหลังจากนั้นไม่กี่วัน เขาส่งที่ปรึกษาของเขาไปเช็คที่ห้องทอผ้าอีกพวกเขาไปถึงที่ห้องช่างผ้าเอาเสื้อผ้าให้พวกเขาดูและชื่นชมงานของพวกเขาเองให้ที่ปรึกษาฟังเราได้ออกแบบงานออกแบบที่ดีที่สุดให้ท่านราชาเลยดูงานที่ละเอียดของงานสิครับมันเหมาะกับท่านราชามากเลยทั้งสองคนสับสนมากเพราะว่าพวกเขาไม่เห็นอะไรที่มือของช่างทอผ้าพวกเขากลับไปหาราชาแบบสับสน บองมาหน่อยสิเสื้อผ้าของข้าน่ะเป็นยังไงสวยมากเลยครับท่านเราไม่เคยเห็นเสื้อผ้าที่สวยขนาดนั้นมาก่อนเลยในชีวิตของเรามันเป็นงานที่ดีมากท่านดีที่สุดน่าใส่ที่สุดที่ท่านเคยมีเลยเยี่ยมเมื่อเสร็จแล้วข้ายากจะเห็นมันและก่อนที่พวกเขาจะเอามาออกมาจากเครื่องทอจั ก, กรพัฒเข้าห้องของช่างผ้าไปยินดีต้อนรับครับท่าน พวกเจ้าทำงานกันเสร็จหรือยังพะยะค่ะท่านราชาเสื้อผ้าของท่านเสร็จหมดแล้วนี่เลยพะยะค่ะช่างภาพขยับโยกย้ายมืออย่างกับว่ากำลังถือา้าพวกเขาบรรยายถึงความงามของเสื้อผ้าใหม่ที่พวกเขาทอขึ้นมาท่านราชาไม่เห็นอะไรเลยเขาคิดว่าข้าไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่าข้าไม่เหมาะกับการเป็นราชาเั้นด ถ้าอย่างนั้นข้าก็เสียบัลลังนะสิท่านราชาท่านชอบงานฝีมือของเราที่เราทำขึ้นมาตรงชายผ้าสีแดงไหมลองดูสิท่านโอ้โอ เ, อเห็นสิเห็นมันสวยมากข้าชอบมันมากเลยข้าไม่เคยมีเสื้อผ้าที่สวยแบบนี้มาก่อนเลยขอบคุณครับท่านเมื่อไรมันจะเสร็จเรียบร้อยละ่ะข้าเนี่ยอยากจะใส่มันแล้ว อีแไ ม, ไม่กี่วันจั ก, กรพรรดิให้เวลาพวกเขาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วออกไปคนของท่านราชาไม่กี่คนจับตาดูช่งางผ้าพวกเขาแซ่บทาเป็นเย็บผ้าโดยไม่มีเข็มกลับได้คนของท่านราชาสับสนมากที่ได้เห็นแบบนั้นเขาเรื่องเสื้อผ้าของราชาแพร่ไปทั่วเมืองประชาชนทั่วเมืองอยากจะเห็นเสื้อผ้าใหม่ของราชามากหลังจากสองวันราชากลับไปหาช่งางผ้า เสื้อผ้าใหม่ข้าพร้อมหรือยังพายาคาท่านราชานี่เลยท่านท่านจะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดในโลกเลยถ้าใส่มันนะท่านนี่พายาคาถอดเสื้อผ้าเลยท่านจั ก, กรพัทถอดเสื้อผ้าของเขาและใส่เสื้อผ้าที่ช่างผ้ายื่นให้หลังจากที่ใส่เสื้อผ้านั้นเขาก็ไปส่องกระจกเพื่อที่จะดูชุดว้าวท่านจะไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของเสื้อผ้าเลย เพราะว่ามันจะบางเบาเหมือนใ่แมงมุมใช่ไหมล่ะท่านใช่แล้วมันเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามมากเลยเก่งมากเลยธนานรัมนตรีครับท่านคนเฝ้าห้องเครื่องของเขา่ขอยกชายเสื้อผ้าให้เขาและตามเขาไปอีกไม่นานก็มีการจัดการเดินขบวนในเมืองจั ก, กรพรรดิเดินผ่านฝูงชนไป ประชาชนทุกคนดูเสื้อผ้าใหม่ของเขาและทุกคนชื่นชมเขามากจักรพรรดิพอใจกับความชื่นชมของประชาชนและเมื่อขบวนเดินทางเดินผ่านไปที่จัตุรัสเมืองก็มีเด็กชายไร้เดียงสาตัวเล็กๆมองไปที่เขาและตะโกนว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรนอกจากกางเกงในอเฮ้เงียบปากหน้าทำไมล่ะพื่อนเขากล้าพูดความจริงซึ่งเราไม่กล้านี่แกว่าฉันไม่มีความกล้าอย่างนั้นเหรอถ้ากล้าก็พูดความจริงออกไปสิ ทรานราชาไม่ได้สอะไรเลยนะ่ะเขาแก้ผ้าอยู่เขาแก้ผ้าท่านราชาช็อมากที่ได้ยินแบบนี้นและยิ่งไปกว่านั้นอีกไม่นานทุกคนที่ยืนที่นั่นก็เริ่มตะโกนเกี่ยวกับการเปลยกายของเขาท่านราชาอับอายมากแต่เขาก็เดินออกจากขบวนไม่ได้ <c oughs> ที่ปรึกษาทุกคนของเขาโกหกแกล้งชื่นชมเสื้อผ้าเขามาตลอดเขาไม่ใส่ใจคนที่ตะโกนว่าเสื้อผ้าของเขา แต่เขากลับเดินอย่างภาคภูมิใจและคนเฝ้าห้องเครื่องของเขาสองคนเดินตามผู้เขาไปและเมื่อเขาเดินผ่านไปประชาชนก็ยืนหัวร้ออย่างเสียงดัง